เนื่องจากเจ้าของเรื่องเป็นสุภาพสตรีนะครับดังนั้นผมโจโ์ผู้อ่านจึงขออนุญาตตัดคำลงท้ายบางคำและสรรพนามบางคำทุกคำเหมาะสมในการอ่านนะครับค น, น, นคผู้ ใ, ใจเละยังสับสนก็บปัญหามากมายวนม่เกิดกระฉันได้ยังไงสิ่งที่เธอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต็นเหตุใครที่ใหนกันสิ่งที่เธอนั้นพ้องเธอ สิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูนไรเหตุผลแต่จอโทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยางให้ลองดูเรื่องกัน การกระทางของเธอในคิดในใจอาจคอยสมผล ไ, ไร้ไร้อาจลึกลับแต่เมือนคงก้วการส่งผลของกันก็ทำอะไรทำดีหรือลายผลนั้นคือกันแม้ดู จะไ n ่เปล่าแสงแมวันนี้จะอ่อนแรงดีมั่นใจว่าสิ่งที่มีให้ยิ้มสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไป ทุก